ขอความสุขความเจริญจะมีและท่านสาธารชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสัตมัสสูตรในเจตุการนิบาต ท, ทังกุติในกายเป็นข้อความที่เกิดจากคำถามของพระนางมารีกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเศษที่โกศล ในคราวหนึ่งผู้เจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันพระนางมารีกาเทวีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจา้าแล้วก็กราบทูล ถ, ถามถึงความแตกต่างกันของคนในสามเรื่องว่าอะไรเป็นเหตุเป็นเหตุจำแนกแบ่งแยกให้คนเราเกิดมาแตกต่างกันคือหม่ความว่าแตกต่างกันมาตั้งแต่เกิด โดยสูงยกตัวอย่างผู้หญิงนะฮะแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็สากลโดยทั่วไปโดยความก็คือคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นที่น่าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจของบุคคลอื่นแต่ว่ามีศักดามีฐานะตำแหน่งตำ่ำแล้วก็มีผิวพรรณไม่น่าดู หน้าตาดีนะฮะแต่ว่าวผิวพรรณไม่น่าดูแล้วก็ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็คือไม่ดีทั้งหมดหมายความมารูปร่างหน้าตาก็ไม่ดีฐานะทางครอบครัวทางสกุลก็ไม่ดีมีศักดามีอํานาจก็ต่ำเลยชุดหนึ่งรูปร่างหน้าตาไม่ดี สถานะทางเศรษฐกิจดีสถานะทางสังคมคือมีศักดาสูงอีกชุดหนึ่งมีฐานะทางครอบครัวไม่ดีรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีศักดิ์มีฐานะไม่ดีก็หมายความว่าคุณสมบัติสามอย่างรูปร่างหน้าตา ญญาต่ใช้คำว่าสักคือมันมันคล้ายๆกับอะไรวาสนาบารมีนะฮะมันมันมีจิตตานุภาพมีมีตำแหน่งที่สังคมก็ยอมรับคืออาจจะอายุไม่มากอะไรแต่พูดจาอะไรอะไรสังคมก็เชื่อถือแล้วก็ตาน้าทางทางทางเศรษฐกิจ คือบางคนมีครบบางคนขาดหมดบางคนมีเพียงอย่างหรือสองอย่างเนี่ยถามว่าเพราะเหตุอะไรถึงมีความแตกต่างกันอย่างนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงเหตุโดยความนะฮะโดยความว่าการที่คนเรามีรูปร่างหน้าตาดีมีผิวพรร์ดีนั้นเพราะว่า เป็นคนไม่ค่อยโกรธมีจิตใจเมตตามีจิตใจแช่มชื่นกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์ ท, มทั้งหลายก็ไม่ผลุกใจเจ็บไม่โกรธไม่คุนเคืองส่วนที่มีผิวพนธ์ไม่ดีก็ตรงกันข้ามานะฮะทีนี้ส่วนสักรดสัสูงสักรดาบต่ำก็เพราะว่า คนที่มีศักดาสูงนั้นพร้อมที่จะโมทนาชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นพูดง่ายว่ามีมุ ธ, ธิตาจิตแต่ว่าคนที่มีศักดาตา่าก็เป็นคนที่มักมักิษยาเห็นคนดื้อได้ดีก็ทนอยู่ไปได้คอยิษยาก็ทําให้เกิดมามีศักดาตา่ำแต่ฐานะทางครอบครัวที่สูงคือบา้างคั่งหรือไม่มัง่งคั่ง ก็โผลของการจําแนกแกะกายทานหรือว่าไม่จําแนกแกจกายทานก็สุดว่า ก, ก็เรื่องใหญ่ๆก็มีสามเรื่องนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับความโกรธความริษยาแล้วก็เสียสละไม่ใช่ความโกรธความริษยาและการตรณีตรงกันข้ามก็คือความเมตตาความมุติตาและความเสียสละ ที่มีการจับแนกแบ่งแยกคนให้แตกต่างกันในแง่ของตั้งแต่เกิดนะฮะหมายความว่าเป็นความเป็นกรรมประเภทที่ตกแต่งภพชาติของบุคคลให้มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นผลสาเร็จรจากการเกิดแต่ในขณะเดียวกันก็พูดถึงปัจจุบันกรรมไปด้วยไปยิงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งด้านบวกด้านลบ ที่ทรงแสดงไว้มันก็เกิดขึ้นจากการกระทําอย่างนั้นในปัจจุบันของบุคคลนั้นๆด้วยก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยพระนางมารีกานี่ย้อนประวัติศาสตร์ท่นหน่อยเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างอัศจรรย์นะนะที่จริงท่านเป็นธิดาของนายอุทยานบานลูกของคนรักษาสวนหลวงนะฮะ และจากจากประวัติของท่านมันก็ทอนอะไรไดห้หลายอย่างในสังคมยุคนั้นนะครับแตท่ทางที่เป็นสังคมที่ถือเรื่องชนชัน้นเรื่องวรรณะกันอยู่มากแต่ก็จริงแล้วดูดูก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พระเจ้าประเสษติโกศล น, นั้นก็ทำศึกสงครามกับพระเจ้าชาติศัตรู แต่คราวหนึ่งก็พ่ายแพ้มานะก็หนีเตลิดเปิดเปิงมาเลยแล้วก็ไปล้มสลบอยู่ในสวนธิดาของนายอุทยานบานก็ไปพบเข้าก็นํามารักษาพยาบาลแล้วฟื้นขึ้นมาก็เป็นที่โปรดปรานพอพระไทยแต่ก็ไม่ได้เคยพูดไม่เคยเจอผู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะก็เพิ่งมาเจอในประศุนนี้เองว่ารูปร่างหน้าตาท่านไม่ดีท่านบอกว่า แต่ว่ามันมันมนีมีข้อนัาสังเกตเพราะประวัติของท่านนี่ไม่ได้บรรลุมรคนนะฮะไม่ไม่ได้บรรลุมรคนเป็นพระริยาบุคคลแล้วก็ตอนทีนท่ท่านชินไปชนไปก็เคยตกนรกคือทั้งเจ็ดวัน แ, แสดงถ้าตกนรกก็หมายความว่าไม่ได้เป็นพระรยบุคคลแล้วเป็นคนที่พิเศษลหลายเรื่องนะฮะเราเ ร, า เ, ร, า เ, ราเคยผ่านประวัติท่านมาว่าเป็นผู้หญิงที่พิเศษลหลายเรื่อง แต่ตรงนี้มั น, ม, นมันที่ท่านกราบถูดหลวพุทธเจ้ามีเขาคล้ายๆท่านจะลึกชาติได้เพราะท่านเล่าเองนะฮะท่านเล่าเองว่าบอกฉันนั้นเมื่อชาติก่อนชาติก่อนโน้นเป็นคนที่มักโกรธมักขัดเคืองอจิตใจเมื้อก็มีแผลใครว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธ โทษของความโกรธก็ทําให้หมอมฉันเกิดมาในชาติปัจจุบันรูปร่างไม่สวยงามไม่น่าทัศนาไม่น่าพอใจของบุคคลทั้งหลายชาติก่อนโน้นหมอมฉันเป็นคนที่มีน้ําใจเสียสละเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ยินดีในการให้ทานจําแนกทานแก่ บ, บุคคลทั้งหลายประผลของกุศลกรรมดังนั้นก็ทําให้หมอมชันเกิดมามีฐานะทางทรัพย์สินดีแล้วก็ พรยชากรนโนอีกนะชาก่อนอนอี ก, นะ ก, อนอนอกเพราะว่าเป็นคนไม่ริษยาไม่แข่งดีบุคคลอื่นพร้อมที่จะชื่นชมยินดีสนับสนุนบุคคลอื่นในมีความเจริญก้าวหน้าแม้ในชาติปัจจุบันเองผมชันก็สนับสนุนส่งเสริมคนเป็นนั้นมากให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นก็โดยผลของกุศลเหล่านั้นก็ทําให้ผมชันเกิดมาในชาติปัจจุบันมีศักดาสูงเป็นคนที่แปลกนะคนเชื่อท่านมากกว่าเชื่อประชาประเศษในกุศลก็ถือว่าแปลกมาก ถือว่าเล็กมากแล้วไม่ใช่ก้าวไกา่แบบสุสีไทเฮาอะไรนะฮะไม่ใช่ก้าวไกา่เป็นงานที่เป็นผู้นำทางเหตุผลสติปัญญาให้แก่พระเจ้าประสิทณนิโกสนที่เคยเล่าเรื่องการบูชายันีจับสัตว์จับสัตว์อย่างละเจ0ดร้อยเจ็ดร้อยมาฆ่าบูชายันเรื่องกระถาเปรตทุสันโสนนะครับปัญหาตรงนี้พระนาเมริกาเขเข้าไปคนแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ แล้วก็สามารถปล่อยสัตว์ทั้งหมดแล้วก็เลิกพิธีบูชายันได้ก็เพราะเหตุผลของนางเมริกาที่ไปชี้แจงให้พระเจ้าประเศษมนข้อสนทรงทราบแล้วก็นําไปฟาดพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเป็นคนที่ที่ประชาชนรักมากทั้งๆั้งที่ว่าภูมิหลังดั้งเดิมก็เป็นลูกสาวของคนชาวสวนเท่านั้นเองมันก็ทําให้เรามองเห็นว่า ในกระบวนการของกรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยมันเป็นหลักมากกว่าความเชื่อถือที่ยึดติดกันมาโดยการแบ่งชนชั้นบรรณะตัวว่าคนเราถ้าทําดีเนี่ยเขาจะไม่สนใจอดีตและอดีตเหล่านั้นจะนํามาเล่าด้วยความภาคภูมินี่ลองดูจิงนี่ขนาดลูกสาวชาวสวนนะ่าเป็นได้ขนาดนี้มันก็เล่าด้วยความภาคภูมิไม่ใช่กลายเป็นปมร้อยแต่กลายเป็นปมเด่น เดียวมาเล่าแล้ว เ, เล่าอีกนะฮะเป็นตำนานที่เล่าขานกันไม่รู้จักจบจบกสิน้นว่าขนาดเป็นลูกชาวสวนแล้วก็เป็นได้ถึงมเหตสีของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นผู้นำทางเหตุผลสติปัญญาให้แก่พระมหากษัตริย์ลักษณะนิสัยก็แปลกมีคราวหนึ่งพระเจ้าประสิทนิโกศลท่าน ต้องการจะให้ไมยศีซึ่งก็มีหลายพระองค์นะฮะแต่ที่รู้จักรู้จักชื่อบ่อยๆเนี่ยได้ยินบ่อยๆเนี่ยพระนางมาริกาเทวีกับพระนางวาสุไลนางวสภาคัตติยาซึ่งเป็นหลานสาวของพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐนิโกสลท่านต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแต่ก็คิดผิดนะฮะก็หรือว่าเป็นญาติก็คือว่าทําตัวเป็นหลานเขยพระพุทธเจ้าก็คงเป็นญาติกับพระพุทธเจ้า แล้วก็ไปสู่ขอสักยะธิดามาองค์หนึ่งแต่ทีนี้พวกสักยะญาติของพระเจ้าน่ะเป็นคนถือชั้นวัณณะแรงไม่ยอมให้ลูกสาวจริงๆเอาลูกสาวที่เกิดจะทาสีมาให้ก็คือนางวสสาคัติย า, พ, ยาพระเจ้าปเสทีกุศลต้องการให้หมาสีเรียนธรรมะก็ส่งพระนนทไปเรียนส่งพระนนทไปสอน ขอพระนุนไปสอนในวังนะฮะสอนธรรมะในว่าพระนุนสอนพระนุนก็มาเล่าพระรูปเจ้าฟังแต่จริงก็หลานสาวพระนุ์ด้วยนะฮะนางมัลสััตยาเนี่ยพระนุนเล่าว่าพระนางมารีกาแตบีตั้งใจศึกษาและเรียนดีแต่เข้าใจเรื่องที่แสดงแนละ้วก็ถามปัญหาเป็นนะเข้าใจถามปัญหาแต่ว่าหลานสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าขี้เกียจนั่งหลับเรื่อย ลาบเรือเลยก็แสดงว่าลักษณะนิสัยเห็นไหมคนหนึ่งเป็นพ่อเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นธิดาของพระเจ้าหมหานามพระนุชาของพระเจ้าลูกชายของสุโกธนะเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าลักษณะนิสัยต่างกันเนยอะไอ้นี่ก็คือสิ่งที่ ท, ท่านพูดถึงเบื้องหลังแต่มันก็สร้างกลายเป็นลักษณะนิสัยที่สืบต่อกันามาจนถึงปัจจุบัน นางมารีกาเทวีก็เป็นคนที่มีมีศักดามากนะฮะมาความพูดจาอะไรในประชาชนก็เชื่อถือพระเจ้าประเนสนิโกศลเองก็เกรงอกเกรงใจนะฮะแต่ก็ท่านอยู่ยังยังยืนมานานเป็นประวัติแต่ว่าท่านท่านท่านท่ า, ท า, ทาที่องค์ตปลายพุทธสมัยนะองค์คตปลายพุทธสมัยมันก็ไปแสดงจะท้อนภาพของกรรมอีกทีหนึ่งในประวัติชีวิตของท่า น, นะฮะพระกว่อจะดับเนท่านเกิดกิตเศร้าหมอง ติดมอขุนมัวซ่อมหมองแล้วไปตกนรกเกิดทั้งเจ็ดวันพระเจ้าประเสริฐนุกศลเสียพระทัยมากก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระนางมารีกาตายแล้วไปไหนไปเกิดที่ไหนพระเจ้าไม่ยอมตอบคือทรงบรรดาให้ลืมทุกทีพอเข้าใกล้เลยลืมลืมก็ผลัดไปเรื่อยๆอย้อาวลืมจะแล้วพอถึงวางนึกออกฮะอ้า่อยถามพรุ่งนี้รุ่งเช้ามาอีกพอมาถึงประตูวัดลืมอีกลืมอยู่เจวันไม่ได้ถาม ถามว่าทำไมพระเจ้าบัรดาให้ลืมเพราะว่าถ้าตอบตรงนั้นไม่ได้ตอบตรงนั้นพระเจ้าประเสรเิฐทีโกศลเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยเพราะคนขนาดพระนางมาลิกาเนี่ยาศาสนาพุทธท่นานมอศาสนาพุทธแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีคนที่ถวายทานเขาเรียกอาสะทิสถานไม่มีใครถวายได้ไม่ไ ม, มีใครถวายได้แล้วคนคนทํำคนนั้นเป็นผู้หญิงด้วย ผู้ชายก็ทำไม่ได้ด้วยถึงเดีวก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะฮะนิมนท์พระอระหันต์มีอาหารทุกอย่างทุกชนิดมีพระอรหันต์ห้าร้อ ร, รูปมีช้างกั้นฉัดกั้นฉัดห้าร้อยเชือกซึ่งช้างหายากนะะคนธรรมราบัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระนางมาริกาเป็นผู้ถวายอสัาศิาศาศทิฐานแล้วก็ยังเล่าไปจนถึงว่า ช่างตัวที่ที่500มันมีปัญหามันเป็นช่างหดุมากแล้วถามว่าจะให้กั้นฉาดคือช่างมันมีแค่500เชือกแต่เด้งหาไปเอามาได้แค่นั้นไม่มีตัวให้เลือกถ้าเกิดช่างดุขึ้นมาจะทํำยังไงว่าจะให้ไปกั้นฉาดกับพระองค์ไหนได้เขาบอกเอาพระองค์บุริมานพระองค์บุริมานก็ตกลงมาช่างดุไปยืนกั้นฉาดยืนเชื่อกเลยนะ ก็แสดงว่าไอจิตานุภาพแปลงมากโรมกุลิมานเนี่ยแต่ว่าท่านท่านเป็นพระานุหนุมนะฮะก็ทั้งกันนิพพานไปตั้งแหนุมอันนี้กเ็เรื่องราว ท, ท, ที่ที่เกี่ยวกับพระนางมาริกาเทวีว่าเป็นเป็นคนที่พิเศษมากๆชื่อมีสองมาริกานะฮะอยู่ที่สาวัติได้แก่นะมาริกาเทวีที่เป็นชายาของปันดุลลเสนาบดีอีกท่านหนึ่ง ที่เป็นคนดูแลพระสพพระพุทธเจ้าตอนที่ประนิพพานนะฮะถ้าท่านไปที่กุสินาราจะเห็นว่าภาพของนางมาริกาเทวีอยู่ที่พระแท่นอยู่ที่พระแท่นเขาตัดเขาก็สร้างภาพไปด้วยพระแท่นที่พระพุทธเจ้าอยู่นะฮะพระพระพุทธรูปอยู่ข้างล่างเป็นรูปพระนางมาริกาเทวีเป็นคนที่ค่อนข้างพิเศษ แล้วมัน ม, น ม, นมน ท, ที่จริงอมาว่ามันมันมันสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมความเชื่อเรื่องบาปบุญระทายสารพัดในตัวประนานมริกาเองลักษณะเหล่านี้เป็นการตั้งข้อสังเกตการพิจารณามีประสบการณ์ของท่านทั้งหลายที่สังเกตของขอ ง, ของประนานมธิกาเทวีที่ท่านสังเกตนะฮะท่านสังเกตท่านท่านถามคำถามเป็นผู้หญิง นะทําไมสตรีในโลก น, น, ลกนี้สตีในโลกนี้เป็นเป็นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่จําเป็นจริงๆเป็นการถามเรื่องกรรมแต่ว่าท่านอยู่ในแวดวงผู้หญิงแต่ก็สังเกตจากผู้หญิงท่านก็ถามเรื่องผู้หญิงเวลาพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้พูดเรื่องผู้หญิงแต่พูดเรื่องกรรมนะกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกคนเนี่ยว่าให้แตกต่างกันเห็นมาตั้งแต่เกิดประการแรกเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณของคน เราจะเห็นว่าเวลาแสดงเนี่ยบางทีแสดงรวมอันนี้แสดงเจาะนะฮะบางทีแสดงรวมก็ก็แล้วแต่ก็เรียกปริยายในการเทศอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าแสดงรวมรวมเนี่ยเรียกจงใช้คาว่าบุญญาณิธิอะไรก็ได้นะะการให้ทางการรักษาศีลการเจริญภาวนาการช่วยเหลือขวนขวายในกิจที่ชอบไม่จเป็นจะต้องเข้าวัดอะอะไรก็ตามที่ว่าเป็นบุญอะ ทําที่เป็นบุญสรุปรวมว่าเป็นขุมทรัพย์คือบุญเรียกเรียกรวมรวมาเป็นบุญยานิธิที่ก็ใช้เป็นคาถาโมทนาเวลาในหลวงเสด็จพระําำเนินถวายพระกรินเนี่ยนะีวรบวบกสวดปีละครั้งนะก็เรียกอ น, นิธิการสูตรเป็นการพูดเรื่องบุญผลรวมสุวรรณาตาสุสัรตาตาสุสันธานาง ส, ส, สุรุปรตาทิปจังสมริวารสพปเมนปตนปฏิอะไรแต่ว่า ส่วนรูปร่างหน้าตานะฮะสุวรรณตามีผิวสวยงามสุสระตามีเสียงไพเราะสุสัสนถานังมีส่วนทรงสมสวนสุนสนสรูปรตามีรูปงามสัพเมเตระต ล, ะละปติสิ่งทั้งปวงนี้ได้เพราะบุญเยนิธิแล้วก็ว่าไปเรื่องอยู่ถึงมาโปรด น, นิพพานอันนี้เขาเรียกว่าพูดรวมพูดรวมไม่ได้เจาะไอ้นั่นเป็นเหตุให้เกิดนั้นนั่นเป็นเหตุเกิดนั่นทีนี้บางทีเนี่ยแสดงเจาะ แสดงเจาะเช่นอนาโดบาโดโหติวตโตโหติวันาโดญานโดสุกโดโหติดีบโดโหติจักโกโดการให้ข้าวน้ําเป็นการให้กําลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการนยานภาณะเป็นการให้ความสุขการให้ประชีพเป็นการให้แสงสว่างผู้ใดให้ที่อยู่อาศัยผู้นัที่ว่าให้ทุกอย่างการให้ธรรมะชื่อว่าให้สิ่งที่เป็นอมตะนะที่ที่ที่เราก็มีภาปสิตว่า การให้ทําชนะการให้ทั้งปวงเราจะเห็นว่าความเจริญในด้านอาหารหมายความว่ามีอยู่มีกินมีใช้ไปไหนก็ไม่ดดโดยรอดจากยิ้พยเพราะผลจากการให้ข้าวน้ำคนอื่นมานั่นว่าเจาะเลยเจาะเลยว่าทีนี้ผิวพรรณสวยงามอะไรแต่ใดเนี่ยนะผิวพรรณดีก็เพราะให้เสื้อผ้าแก่คนอื่นมีพระบางรูป ที่เคยเล่านานแล้วนะฮะลูกศิษย์พระสารีบุตรเเป็นพระอระหัน น, นะนะเป็นอรหันแต่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยบินทบาทได้อิ่มท้องเลยตั้งแต่เกิดไม่ใช่บินทบาทนะตั้งแต่เกิดมาเลยไม่มีอาหารอิ่มท้องวันสุดท้ายวันเดียวพระสารีบุตรไปบินทบาตมาให้พระสารีบุตรนั่งถือบาทให้กินให้กินนั่งถือฉันเพราะคุณเกิดมาชาติยังไม่อิ่มท้องนะกินได้อิ่มนะวันเนี้อันนี้ผานแล้ว ท่านไม่กล้ากินนะอุปชยานาั่งถือบาทท่านไม่กล้าฉันบอกถ้าเธอไม่ฉันเธอก็ไม่ได้กินนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่ในชีวิตประกุเราไม่เคยสงเคราะห์คนอื่นเลยไม่เคยให้คนอื่นเลยเพราะว่าแต่อื่นดีหมดนะฮะมาเป็นพระหารอะไรแต่รีบทเสียนิดเดียวไม่เคยให้อะไรแกใครเพราะฉะนั้นจากตรงนี้มันไม่ได้มีหลักฐานนะเพระตรงนี้นะฮะท่านทั้งหลายคงคงจะเคยได้ยินคําว่า รับสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรกล่าวดีแล้วจงรรบพรุทธปราจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกตัวชอบเถอถ้าพระรูปใดกระทำพู้เจ้ารับสั่งอย่างนี้นะฮะมันจะเพศจะเปลี่ยนบุ๊บทันทีเลยผมผมโกนหมดแล้วก็มีจีวรมาคลุมร่างเรียร้อยมาจากไหนไม่รู้เป็นบุญญาโนภาพของการเคยให้ผ้ามาก่อนนะถาวายผ้าใจจีวรกับพระในชาติก่อนๆมาก่อนนะั่นนะครับ อันนั้นจะเป็นผลที่ให้มีเครื่องอัฐบริการสำเมมร็จมาโดยดีเอ้ยถามพระพุทธเจ้ า, ารับสั่งเสมอไหม่หมหรอต้องดูก่อนว่ามีบุญอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีบุญไม่รับสาไม่รับสั่งนะเช่นว่าพระพระายาธารุจิริยะที่ท่านบวชในตอนพุทธต้นพุทธสมัยเหมือนกันมาขอบวชบรรลุมรผลเป็นพระหานแล้วนะ เป็นพระหารอย่างทั้งทั้งได้อย่างไม่ได้บวชอะพกขอบวชหลวพุทธเจ้าบอกเออไปหะไปหาปาตัยเจีวอนในขณะที่เจ้าหาผ้าเพื่อจะเปลี่ยนเป็นไดเจวอนอะถูกโอบิดนิพพานนะเราถือว่าเป็นพระด้วยนะฮะถือว่าเป็นพระสงฆ์ด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มของเอตตะคะสาวกติตตรูเร็วพรันหรือพระพ่าย พรากฏว่าทำไมระพุทธเจ้าไม่รับสั่งเพราะว่าท่านไม่เคยสว่วาทานไม่ไม่ไม่เคยทำบุญด้วยผ้ามาเลยตลอดพบชาติต่างๆเพเนก็ถือเป็นเรื่องแปลกลเลยเรื่องแปลกไอ้นี่คือให้ตรงตัวเห็น ไ, ไหมบอกมาให้ตรงตัวในในที่นี้ก็จะบอกลักษณะรวมรวมไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าให้ตรงตัวแต่ว่าพูดในรูรูของบุญนิทิเหมือนกับคาถาเดิมเลยว่านะฮะ มีผิวพรรณดีมีเสียงไพเราะมีสูตรทรงสมส่วนมีรูปงามเนี่ยัพ ป, ประเมเตนรับปติเกิดขึ้นด้วยบุญอย่างนี้ทีราะการการให้ทานจะในลักษณะยังไงก็ตามก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นมีนะคนอื่นไม่เดือดร้อนในเรื่องเห่านั้นก็ททำให้บุคคลเหล่านั้นเกิดมาในพภบชาติต่างๆจะมีฐานะทางครอบครัว อนาทางครอบครัวคือมีเศรษฐกิจดีพูดง่ายว่ามีเศรษฐกิจดีนะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็มามองในแนวของคนที่ที่มีการสงเคราะห์มีน้ำใจต่อคนอื่นในระดับของศีลธรรมจัร ญ, ญานะฮะระดับของศีลธรรมจัญญาการสงเคราะห์โนอเคราะห์ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่นเวลาเรามีปัญหาคนอื่นก็สงเคราะห์อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อต่อเราก็จะเห็นว่าก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกัน เป็นศีลธรรมจัญญาระดับปฏิบัติในลนักษณะมีน้ำใจต่อกันคืออบอ้อมารีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อกันในรูปของการดุลบันดาลพูดถึงฐานปัจจุบันการดุลบันดาลแต่พูดถึงฐานปัจจุบันเนี่ยนะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลาหน่อยเพราะรูปของการดุลบันดาลต้องผ่านเวลายกเว้นแต่มันได้จังหวะดีๆนะฮะจังหวะดีๆหมายความว่า เจตนาในการให้เป็นเจตนาดีสิ่งที่ให้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ผู้ที่รับเป็นผู้ชี้ออกอย่างในโรธสมบัติซึ่งกว่าหายากแสนเข็ญสมัยพุทธกาลก็มีมีหครั้งแต่นั้นเองนะฮะสี 4, ปีนี้เกิดเหตุการณ์นี้6ครั้งแต่นั้นเองแล้วก็ตัวเองไม่มีปัญหาไอ้นี้สมบูรณ์พร้อมเนี่ยท่านท่านบอกว่าสามารถได้รับผลในรูปการดลบันดาลในวันนั้นคือมีฐานะบางคั่งร่ำรวยในวันนั้นแต่แต่แต อที่บอกนะฮะมันเหมือนหนึ่งในหลายพันล้าน น, น, น ะ, ะ่รนะในรูปการโดนบดดาบก็มีฐานะบ้างครั้งร่ำรวยนะถ้าเราศึกษาติดตามประวัติของคนบางคนทีามาเคยอ่านประวัติของคุณหญิงบุญล้อมโอสถานุเคราะห์นะ อ, อะไรเต็งเของอยู่นะฮะเต็งเของอยู่สิ่งที่ท่านปฏิบัติเป็นกิจวัตรตลอดชีวิตของท่านคือตักบาตรทุกเช้า ยายสั่งไว้ยายนำตักบาทตั้งแต่เด็กๆและสิ่งนี้ท่านถือเป็นกิจแต่ว่าตลอดชีวิตของท่านคือตักบาทตักบาทตลอดแม้แต่ว่าป่วยหนักยังนั่งรถเข็นเอาไตักบาทนะเราก็รู้จักประวัติทันดีนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของของบุญที่บรรดาในแนวของท่านนะนะฮะมาความมาส่งเสริมสนับสนุนให้ฐานะทางเศรษฐกิจเราดีขึ้น ในรูปของการสงเคราะห์ก็ตามในรูปของทานก็ตามราผลบุญที่จริงมันก็มีอยู่หลายระดับไปนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่นางมาริกาท่านเน้นเนี่ยนะครท่านเด้นในเรื่องของการเกิดมาแล้วก็เกิดมาในสกุลที่มีมีฐานะมัง่งคั่งร่ารวยก็เพราะผลของการของทานที่บุคคลให้ดีแล้วนะฮะที่จริงใช้ใช้ยตำรวจวท า, านที่บุคคลให้ดีแล้วทําไมละ่ะ ทำไมต้องเน้นตรงนี้อย่าลืมมาเป็นการพูดในแนวรับรองผลเพราะทานบางอย่างในการเมืองยะการให้ทานบางอย่างมันไม่ใช่ลดกิเลสแต่การเพิ่มกิเลสมันเพิ่มโลภะมันเพิ่มโทสะมันเพิ่มโมหะบริจาคห้าล้านได้เป็นคุณหญิงบริจาค ก, ก็ไปห้าล้านเตรียมจะรับเหรียญตราเป็นคุณหญิงไม่ได้เกิดโกรธเลยด่าแลกเลย มโนก็ทุจริตวจีก็ทุจริตเห็นไหมเพิ่มบาปเยอะเลยทานนี้ให้ไม่ดีไม่รับรองผลเพราะเธอไม่ได้ไม่ได้ละกิเลสแต่เธอไปเธอลดโลภะแต่เธอเปลี่ยนเป็นโลภะในเหรียญเท่านั้นเองเห็นไหมโลภะในทรัพย์ลดโลภะในทรัพย์จริงแต่ไปเพิ่มโลภะในเหรียญแล้วก็พร้อมที่จะโทสะท่าท่ามทําไม่ได้พร้อมที่จะโกรธพร้อมที่อาจจะด่าอะไรแต่ละคนแล้วอาจจะนอนมือกายนะผ่ากี่หลายวันโดยซ้ำไป เพราะงั้นตรงนี้เป็นเป็นคำที่เวลาพระพุทเจ้าทรงแสดงเนี่ยคงจะจะรับรองผลน่ยจะจะกระชับที่เหตุตลอดเหตุต้องเป็นอย่างนี้นะทานที่บุคคลให้ดีแล้วถ้าให้ไม่ดีไม่รับรองเห็นไหมฮะต้องไม่ทําบาปทั้งปวงถ้าเธอยังทําอยู่บ้างไม่รับรองผลไม่รองผลต้องไม่ทําบาปทั้งปวงถึงจะเข้าถึงจุดสูงสุดในทางศาสนาซึ่งก็มีได้เฉพาะบาลานเห็นไหม คำเนี่ยคำจะบง่งบ่งภาคปฏิบัติเอาไว้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ผลยิ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะทานในที่นี้ทรงชี้ว่าทานที่บุคคลให้ดีแล้วทีนี้ทำยังไงได้กว่าทานให้ดีแล้วอย่างน้อยต้องมีสามอย่างนะฮะหนึ่งสิ่งที่เราได้มาบริจาคนั้นจะประนีตหรือไม่ประนีตไม่ได้ติดใจเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเรามีของสามประเภทนะของหยาบของกลางของละเอีย ของราคาถูกนะราคาถูกราคาปานกลางราคาแพงสมมติอะาอย่างนั้นะนะตรงนี้ท่านจะจำแนกอกอย่างหนึง่งเป็นตัววัตถุเป็นตัวกำหนดพื้นจิตของเราเห็นไหมว่าถ้าเราสามารถบริจาควัตถุที่ประณีตได้มากนี่แสดงว่าใจเราเสียสละโลภะได้มากแล้วก็มองเห็นคุณค่าของบุญเทียบกับคุณค่าของวัตถุคุณค่าของวัตถุนั้นสาธารณะ แกอันตรายทั้งหลายโจรอาจจะปล้นก็ได้อาจจะหายไปก็ได้เราตายไปมันก็กลายเป็นสมบัติได้คนอื่นก็นยื้อแย่งแต่ว่าพอทำไปบุญมันก็กลายเป็นสมบัติติดตัวนั้นแสดงว่าปัญญามันเกิดขึ้นไปเทียบเคียงสิ่งสองสิ่งสิ่งสองสิ่งแล้วก็ตกลงให้พระเจ้าจึงเรียงอีกแนวอีกชุดหนึ่งตรงนี้ก็เรียกว่ า, าธาตุสถานสหายฐานสามีฐานาธาสถานคือให้ของหยาบหยาบของเลือกินเลือใช้ นะสหายทานก็ให้ของที่ตนเองกินตนเองใช้สามีทานในของแม้แต่ตัวเองไม่กินไม่ใช้ก็ยินดีที่จะให้คนอื่นสแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาสแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถือศรัทธาในคนที่เราให้สแสดงถึงการไม่โลภในของขจัดความเจตหนีนในสองก็สรุปว่ากิเลส ม, มันลดได้ทั้งโลกทกัทงก้งกดทั้งหลงเห็นไหมคนที่รับเราต้องไม่โกรธแต่เราโกรธเราให้ไม่ได้ของที่เราให้เราต้องไม่เสียดายถ้าเสียดายเราให้ไม่ได้ แล้วปัญญาเราต้องพิจารณาถึงสิ่งคุณค่าจากการให้กับคุณค่าจากการรักษาเพราะว่าบุญนั้นโจรมันรักไม่ได้แต่ว่าทรัพย์ที่โจรรักได้ทรัพย์ติดตัวเราไปไม่ได้บุญติดตัวเราได้ มันก็เกิดแต่ความคิดนะฮะเราจะเห็นว่าความคิดแบบนี้พวกพระโพธิสัตว์พวกมหาบุรุษท่านท่านคิดอย่างนั้นไม่ได้หมายความปฏิเสธคุณค่าของสิ่งต่า น, นั้นแต่ว่าอะไรมันมีคุณค่ามากกว่าอะไรมีคุณค่ายั่งยืนกว่าอะไรที่มันเป็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณของเราได้มากกว่าเราก็เลือกตรงนั้นก็เป็นการมองที่ที่จริงเมื่อคืนนี้ก็ดูไว้หลายสูตรแล้วนั่งอ่าน หนังสือเล่มเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจอาตมามากนะฮะแล้วก็เป็นบุตเอามาว่ามาัน ม, มาจากหนังสือเล่มนี้อยู่เยอะคือตอนเป็นเด็กเดก็อายุ10กว่าปีมันอ่านหนังสือเล่มใหญ่มากเรื่องขนาดเนี้ยหนังสือในวัดนะฮะมันชื่อสัมมาทิฏฐินั่งอ่านอย่างเงั้นอ่านจนจบเลยนะแล้วบ้างบ้างอ่านในท่องได้เลยอายุสักสิบสานี่สีีนะ่ย แล้วความรู้สึกนึกคิดมันมันค่้อยตามหนังสือนี้มาตลอดก็หามาตั้ง30กว่าปีไม่เจอเพิ่งมาเจอที่น้องสาวค่อยทำงานเดหอสมุทรบอกใหก้หามาหน่อยใต่คนลองดูตัวนั้นแล้วก็ถ่ายซีรอกมาให้อันนี้กำลันั่งอ่า น, นก็เจอพระสูตรทั้งนั้นนะฮะพระสูตท่นท่นนั้นเอามาจากพระไตรปิฎกนั่นแหละแต่ท่านรวบรวมไม่เก่งเป็นเรื่องที่ที่ ท, ที่ก็สดรับกับลักษณะทางสงฆ์ไทยนะฮะ เป็นการนําเสนอแนวที่ต้องการพัฒนาจิตสำนึกของสังคมไทยเพราะพระสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่เลือกมาจากที่น้นที่นี่ที่นั้นก็มาวางไว้ในที่เดียวกันพระสูตรนี้แสดงให้เห็นถึงบุญญาโนภาพคอโนภาพแห่งบุญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลโดยกําเนิดคือสถานที่เกิดตระกูลที่เกิดนะฮะรูปร่างหน้าตาที่ติดมาโดยโดยกําเนิด นะและในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็เอามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นทานที่ให้ดีแล้วเนี่ยมันจึงจะมีลักษณะวัคของที่เราได้มาต้องชอบทำแล้วก็เจตนาในการให้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราให้คนเราให้สถาบันเราให้ผลเราต้องมีความรู้สึกดีดและเราให้บอกมันดีแล้วนั่นเองไม่ได้คิดมุ่งที่จะ มองผลตอบแทนในเชิงที่เป็นรู ป, ปรธรรมแต่มุ่งผลที่เรารู้สึกได้ทำอะ่ะเท่านั้นเองพอแล้วอย่าคิดมองได้ในวัตถุปริสสละวะัตถุมองได้ในคุณภาพของจิตใจเราเรารู้สึกได้ทำเรารู้สึกได้เดินไปตามหลักธรรมที่พระเจ้าทรงประกาศสั่งสอนไว้ที่ว่าการให้ทานแล้วดีแล้วก็ให้นะฮะ เป็นมองในใ น, ในฐานะเป็นเรื่องประดับจิตมองในฐานะเป็นคุณภาพจิตอย่าไปติดใจแลกสตางกะเรียนะอันนี้แลกสตางกะพัดก็มีนะยงยงุ่งๆอันนี้ก็อพอมาถึงเจ ต, ต่คนรับนะฮะคนคนที่จะรับฐานนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลมีกันระยาธรรมถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าฐานที่ให้ดีแล้ว ดีแล้วก็สิ่งที่ให้สิงแน่นำมาให้ดีเรามีความรู้สึกที่ดีต่อคนต่อคนที่รับแล้วเราก็มีความรู้สึกที่ดีอยู่ภายในใจก่อนจะทำก็เรียกว่าสมรชาคุณนะฮะประกอบด้วยคุณที่สมบูรณ์สามอย่างได้ที่ยิ่งสี่อย่างนะ้สี่อย่างไออย่างที่สี่อย่างนี้บอกว่ามันก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ว่า เป็นการถวายทานแก่พระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีที่ออกจอากนิโรธสมาบัติในขณะนั้นแล้วเราถวายเป็นคนแรกนี่มันมันมันหายากเลยเกศแม้ในสมัยพุทธกาลก็เจอกันเพียงสี่ครั้งนะฮะเจอเพียหกครั้งถวายทานวันนั้นตอนเย็นได้ผลเป็นรูปวัตถุเลยฮฐานะคนสามัญเปลี่ยนเป็นเศรษฐีเลยนะมีอยู่หกท่านด้วยกันประการต่อไปนั่นคือ ที่ผิวพันธุ์ศ้ามองหรือผ่องใสนะฮะบางคนี่ยากจนขาดสวนอนาถาเนะี่ย ก, ก็เหตุผลก็คือว่าไม่เคยไม่เคยให้ถามอะไรการก่อนแต่แม้จะอยู่ในสังคมปัจจุบันก็ขาดแคลนนะฮะไม่มีน้ำใจไม่เอื้อเฟือเฟ้อเอผื่อแผ่ไม่อาคมารีตบุคคลอื่นก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างพิสูจน์ได้ง่ายๆนะฮะพิสูจน์ได้ง่าย แ ล, แล้วเรื่องเรื่องเหล่านี้ถ้าเราศึกษาติดตามนะฮะแม้แต่พระ ท, ที่ที่วัดเนี่ยวัดวัดไหนก็ได้นะะพระบางองค์ก็บินตบาทได้เยอะจริงจงบินตาบาทได้ก็แปลกอะ่ะองค์นี้ออกแล้วไปเจอกนนั้นเจ อ, รเจ อ, รเจอตรงนี้มันก็แปลกบางองค์ไม่ค่อยได้บินตบาทไม่ค่อยได้นี่ก็เดินไปสายเดียวกันนี่ยนะเดินไปสายเดียวกันมันทีก็เดินตามไปองค์หนึ่งรับเสร็จององหนึ่งไปถึงพอดีข้าวก็หมดพอดีอ่าก็เดินไปถึงเอาอีกเอาไปข้ามหมดพอดีอีก อันนี้ก็คือก็คือลั ก, ลกษณะ ท, ที่มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะที่สิ่งปรากฏการอัจจารั์ของพระศิวลีพระศิวลีเนี่ยพระเจ้าเองต้องพึ่งท่าน น, นะนะพระเจ้าเองยังสู้ท่ไม่ได้ไปในสถานที่บางแข่งอย่างคราวหนึ่งไปเยี่ยมพระเรวตาเป็นน้องชายพระสรีบุตรมันมีทางตรงกับทางอ้อมทางอ้อมเนี่ย มีบ้านคนมีบ้านเรือนคนแต่ทางตรงเนี่ยมันมันคนน้อยพระไปก็ตั้งสี่ห้าร้อยปานนนทามันจะไปทากไหนดีบอกก็บอกเหตุผลว่าทางอ้อมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารบินบาตแต่จะช้าแต่ทางตรงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องบินบาตะแต่จะไปเร็วพระเจ้ารับสั่งถามมาศีวลีไปด้วยป่ะไปด้วยไปด้วยก็ไปทางตรงเลยอาศัยบา ร, รมีของสิวลีเขาไปได้ อนะแล้วก็อุ่นหนาวฝาข้างเลยนะญาติโยมแห่กันมาจากไหนมารวมมาต้อนรับสเสด็จพระไม่เดือดร้อนอะไรตลอดต่าอันนี้ก็ น, นี่คือเป็นบุญเลยเป็นบุญญาธิการทีท่านเหล่านั้นได้กระทาเอาไว้อย่างหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมญาอาจาย์คูนไปเนี่ยเงินเข้ามากกว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะฮนะมากที่สุดในเมืองไทยไปเนี่ยเงินเข้าในแต่ละวันเนี่ยมากที่สุดในเมืองไทย พระที่พระพุทธรูปที่เงินเข้ามากที่สุดจะมีอยู่สี่รูปในเมืองไทยนะฮะนีหลวงพ่อโสธรอนันดับหนึ่งหลวงพ่อวัไดไร่ขิงอันดับสองหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอันดับสาหลวงพ่อเขาตะเคราอันดับสี่นะะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วฮะไปหลวงพ่อคูณไปแล้วไปประสงค์ไปประสงค์ฮะพระพุทธรูปยิงสู้ไม่ได้เลยเดี๋นี้อันนี้ก็คือก็คือเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องบุญบา ร, รมีที่เขาทานะําเอาไว้นะฮะเขาเอาไว้ก็ทําให้คนรู้สึกเป็นสุขที่ได้ให้ นั่นเป็นบุญญาโนภาพแล้วนะครับคนคนจะมีความสุขที่ได้ให้จะรู้สึกไม่สบายที่ไม่ได้ให้หรือให้แล้วท่านไม่เอาเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายเป็นบุญญาโนภาพเป็นบุญญาธิการนะผู้แก้ไม่ได้นะครับแล้วก็ประการต่อไปเรื่องผิวเออไม่ใช่เรื่องเรื่องผิวพันธุ์นะนะเรื่องผิวพันผิวผันธุ์ที่ส่งเน้นไปที่ความโกรธเราเคยเจอประสูนยนี้น ะ, ะท่นานเองนญสุตพัดสูตรที่เราเคยผ่านมาแล้วก็ตอบเหมือนกัน แล้วก็จุลกับรรมั่วิพังกระสตรที่ทรงจําแนกเรื่องกรรมคนเกิดมาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่า ง, งนางงั้นเยอะแยะไปหมดเด็กเขาถามเนี่ยจะจะมีลักษณะอย่างนี้คือข้อความมันจะลงตัวเรื่องกรรมมาลงตัวของมันนะนะลงตัวของมันอย่างนั้นอุ้ยเจ้าจะแสดงหรือไมแสดงมันก็ลงตัวของมันอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่า ง, งนี้ความโกรธจิตใจบางคนเหมือนก็แผล นะแล้วก็เก็บความโกรธเอาไว้อย่างที่ทรงแสดงอุปมาเหมือนกับรอยขีดรอยขีดสามรอยรอขีดในน้ํารอยขีดในดินรอยขีดในหิ น, นคนบางคนกระทบอารมณ์ที่ไม่น่าใคราไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจมันอาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยแล้วก็เลิกแล้วนะมือก็รอยขีดในน้ําไม่ตกไม่ไม่เก็บไว้นะไม่ผูกโกรธเราจะเห็นว่าความความโกรธมันมาจากอารติคือความไม่ยินดีอุกุจจะหงุดหงิด นะและอุปนาหะผูกกรดนะอาคาตะอาคาตพยาบาทตลอดถึงอะไรประทุสลายประสายโทสะครือป่าทศรายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความเข้มขน้นเป็นการเรียกอาการของโทสะที่มันมันหยาบกลางละเอียดขึ้นไปเนี่ยยึะยะเยอะเยอะเลยนะฮะแต่ว่าคนที่สามารถ คมใจตัวเองได้ไม่รู้อำนาจแก ค, ความโกรธเนี่ยจะได้ว่าคุณภาพของจิตมีอะไรนะฮะอาจจะมีคันติมีความอดทนมีอะไรก็แล้วแต่จะคิดคนไทยเราเราจะเห็นว่าเรามีคติสอนใจเยอะเลยสอนใจลูกไทยหลานไทยเอาไว้ในเรื่องเหล่านี้นะม่เยอะแต่ที่จริงแต่แต่ว่าเราไม่เคยเออกมาคิดไม่เคยเออกมาใช้มันเกิดประโยชน์บ้างอย่าเป็นการยกตัวเองหนี บางอาบางอย่างก็เป็นยกตัวเองหนีเลยกำโดใครก่อคนันกรักกำไฟเราไม่เกี่ยวบางทีเล่นแรงนะฮะบางทีเล่นแรงแต่หมายความเป็นความคิดก็ไม่แปลกอะไรยันี่โลกกนิษฐ์เขาบอกไว้นะฮะหมาใดตัวร้ายกบบาทาจากัดตอบต่อหมาอยากขึงธรรชนชาติชั่วทารุนโทษจะโกรธจะหจะน้าบึง้งตอบทอยถือความแต่ไม่ใช่พูดนะฮะไม่ใช่พูดออกไปคือคิดภายในใจ ได้ยาพิมเสนไปแรกกร้แลกเกลือยาวทองไปรักกับระเบื้องนั่นยกตัวเองให้สูงไว้นะะยกตัวเองให้สูงไว้แต่ไม่ใช่พูดออกไปนะถ้าพูดออกไปเป็นการดูหมิ่นคนอื่นแต่เราเราคิดมไม่ได้คุ้มค่าเอาพิมพ์เสนไปแรกกร้แลกเกือเอาทองไปรักกับกระเบืองทองมันก็สึกร้อไ ป, ไปกระเบื้อกมันก็ข่ามมันแค่นั้นเองนี่เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการยกตัวเองหลบจากปัญหาตรนั้น ก็ดีไทยสอนมาเยอะเพราะคนไทยขี้โกรธนะคนไทยเป็นชาติที่ขี้โกรธมากนะฮะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่แปลกคำสอนที่เกี่ยวกับเรื่องโกรธจริงๆเยอะเพื่อเพื่อบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็สะสมไว้เป็นจิตสันดานไปลักล้างในสัยเราจะเห็นว่าหน้าตาก็าผ่องใสนะสวยหล่อไม่รู้แต่ว่าหน้าตาผ่องใสเพราะว่าใจเขาไม่โกรธทีนี้ถ้าโกรธเราก็เห็นได้ใช่เราผิวพรรณเศรางหงอก หือผันขุดมัวเศร้ามองไม่ต้องออกตายไปก่อนอย่าไปเกิดใหม่แล้วฮนะก็วันนั้นขณะนั้นตรงนั้นแล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่าธรรมะนั้นพูดตรงไหนก็พูดตรงนั้นแต่อย่าลืมว่าธรรมะคือธรรมะเราพูดถึงสีดํานะเมื่อก่อนมัน ก, ก็ดำเดี๋ยวนี้มัน ก, ก็ดํานะต่อไปมัน ก, ก็ดํามัน ก, ก็ดําอย่างนั้นเองฮะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นธรรมะจึงแปลว่ามันเป็นอย่างไงมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะฝรั่งโกรธไทยโกรธแขกโกรธสุนัขโกรธ อะไรโกรธมันก็คือโกรธอนะหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีทันใก็แล้วแต่ว่าจะโกรธเร็วจะโกรธมากหรือโกรธน้อยเพราะงั้นคนที่ความโกรธจึงเป็นโทษของผิวพันธุ์ทำให้ผิวผิวพันธุ์เส้าสมองเกิดมาในภพในชาติใดผิวพันธุ์หยาบกระด้างนะฮะหยาบกร้านท่านเล่าถึงเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะนี่ชื่อนางปัญจาปาปีหรือปัญจาปาปา เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาาไปเทศเนี่ยก็ยังยังมองว่าที่ทางทําไมเอามาเทศเรื่องเหล่านี้นะเราก็เห็นว่าเนี่ยต้องการจะลดความโกรธของคนปัญจปาปีคือว่าพิรุทธ่าอย่างที่ใบหน้าแกนี่จมูกปากหูตาเนี่ยมันมันมันมเยเกไปหมดเลยพิรุทธ่าจุดอปัญจปาปีคือห้าจุดปัญจปาปาก็ได้นะฮะปัญจปาปีปัญจญจะชื่อผู้หญิงก็เรียกปัญจปาปี แกเป็นมาเหสีของพระราชาสองแผ่นดินนะนะไม่ใช่สองประเทศะแย่งกันพระราชาแย่งกันตกลงต้องตัดสินว่าปลูกวังระหว่างชายแดนนะให้เป็นที่ประทับอยู่ของของของชายาพระราชาก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นเจ้าของเล่นแรงนะฮนะแต่อย่าลืมนะฮะไอ้นี่เป็นทำ เ, เป็นตำนานแบบที่เบตนะตำนานแบบที่เบตตำนานแบบหมาพันละตยะยุทธนะฮะ ฝ่าอายุพี่น้องห้าคนในมีเมียคนเดียวกนันน่เป็นเป็นเป็นเรื่องโบราณนย่าอย่าไปติดใจนะมันก็เป็นไปได้ในในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยนั้นก็เป็นเขาไปได้แล้วก็ถามมาทำไมคนคนนี้จึงมีพิรุตตาห้าจุดเขาบอกว่าคราวหนึ่งเนี่ยแกเกิดเป็นที่ดาของช่างหมอ้อก็มองขุดดินขุดดินเพื่อจะให้พ่อไปอปั้นหม้อนะะ แล้วพระปฏิเจรกัพุทธเจ้าท่านท่านมาเดินบินต บ, บาทไอ้กุฏิของท่านี่ทางกุดดินเนี่ยมันกำมังอย่างสุดท่านก็พรานในกุดดินไม่ได้นะฮะพระในกุดดินไม่ได้ยิ่งพระปัิเจกพุทธเจ้าพระเออพุทธเจ้าท่านไม่กุดแต่ว่าเมืองไทยเราเดี๋ยวนี้พระถ้าให้กุดดินไม่ฝันไม้ ก, ก็บอกพระขี้เกียจไม่รู้จะเอาอยัางไงเงี้ยนะ่เพราะไปกุดข้าแกชอบนะแต่ไม่รู้ว่านั่นคือผิดวินัยพระนะฮะวินพระ แล้วก็ต้องเดินบิบนทบัตก็ไปเจอกันนางเนี่ยคุณนฑิดากคนนี้ปุ้ยพระในะยุ่งจริงยุ่งจริงดินเยอะไปยังมาบินทบัติอีกเลยแกก็จับกระแทกลงไปนะสอยบาทนะแต่ก็แทกลงไปบาทจะร่วมเอาอะกระแทกดินลงไปดังก้อนนลยนะก็พระบาเจกับพุทธเจ้าทำไมว่าอะไรแต่ว่าพอกระแทกไปแล้วจะเกิดสัมเนธวิ่งตามขอขอมาขอคำมา หนึ่งตามไม่ขอเข้ามาโทษเพนั้นเวลาแกเกิดมาเป็นสัมผัสทิพย์พระราชาที่ไปเจอเข้าเนี่ยไปเจอไปชนเอาเฉยๆนะสวนชนสัมผัสทิพย์บูบเลยทั้งสององค์นะฮะเลยเล ก, ก็แย่งกันไม่ได้สนใจหน้าตามันเจอที่สัมผัสเพราะว่าแกถวายดินเป็นทั้งกุฏิพระบาทเจ้ากับกุติเจ้าแต่ว่าหน้าตาแกเยเกเพราะแกโกรธเห็นไหมฮะอันนี้ก็กรรมจำแนกคนละเรื่องกันสัมผัสเป็นทิพย์แต่หน้าตาดูไม่ได้เลย เป็นการจำแนกแนวนี้แนวเดียวกับที่นางมาริกาถามหมายความว่าไอ้คนคนเดียวที่พร้อมหมดพิวพรรณตาต า, ตาสวยงามรูปรา่างหนา้าตาสวยงามมีศักสูงมีฐานะทางเศรษฐกิจดีเนี่ยโอ้ยมาครบสามอย่างนี่มันหายากมากเลยที่เคยเล่าให้ฟังเป็นคติโบราณนี่ยนะเป็นคติโบราณเอามาพบมาตั้งแต่ตั้งเต็มนานแล้วว่ามันเราก็พยายามสังเกตนะครับเป็นการพู ด, พดแบบแบบคติฮินดู แต่เรามองในแง่ธรรมะ ก, ก็คือธรรมะเขาบอกว่าเทพเจ้าแห่งปัญญาเทพเจ้าแห่งความงามเทพเจ้าแห่งความดีไม่สถิตร่วมกันในบุคคลคนเดียวกันแต่ถ้าบุคคลคนใดก็ตามที่เทพเจ้า ส, สามองค์สถิตร่วมกันได้คนนั้นก็เป็นยอดคนบางคนคนหนึ่งในรูปงามมากปัญญาแหลมคมมีคุณธรรมสูงอยู่คนเดียวกันนะฮะอยู่คนเดียวกันโยมลองหาดูก็ได้ หาได้ไหมหาไม่ได้นะโลกหาคนประเภทนี้ไม่ได้หาคนประเภทนี้ไม่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ครบสามอย่างนางวิสาขาหมาุบาสิกาเนะี่ยสมบูรณ์ครบสามอย่างถึงซึ่งซึ่ ง, ง, ง, งสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีน้อยนะเห็นไหมนางมณิกาไม่ครบนางมณิกาไม่ครบรูปไม่งามรูปไม่งามปัญญาแหลมคมสติเอเ อ, เอ ผิวพรรณดีผิวพรรณดีรูปไม่งามผิวพรรณดีสติปัญญาแหลมคมก็เป็นการจะแน่ของกันเพราะความริษยานะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่ความโกรธนะฮะความโกรธเป็นเป็นปัญหาใหญ่เป็นเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายความรุนแรงต่ า, างที่เกิดขึ้นในโลกมันเกิดขึ้นจากโทสะ ให้ลองสังเกตว่าบาปรกรรมที่แรงๆขนาดอนันตเดริกรรมเนี่ยทำด้วยความโลภความโกรธที่แรงความโลภที่แรงความโกรธที่แรงแต่ว่าเอาความตั้งโกรก็หลงแรงถ้าโลภก็หลงแรงนะฮะจึงจะฆ่าพ่อได้ฆ่าพระอ า, หารหันได้ฆ่าพระทศรายพระพุทธเจ้าได้นี่คือลักษณะของความโกรธความโกรธจึงเป็นโทษแรงพะเกิดขึ้นและสร้างความวิปริตขึ้นภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจ ตอนที่ยิงผิวพันธุ์มันก็เศ้ามองไม่ผ่องใสมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ความโกรธมันเกิดแล้วมันก็สะสมไว้ภายในจิตสันดาลก็กลายเป็นอะไรละอัตยาใสเป็นพื้นเพจริตอัตยาใสของบุคคลคนนั้นที่ออกมาในรูปของโทสะจริตนะออกมาในรูปของโทสะจริตคือความรุนแรงคือคือคือยังมองนะฮะมายังยังยังมอง เมื่อวานก็ไปคุยกับผู้ใหญ่กลับมาดึกอะเป็นห่วงสังคมแต่เราก็เหมือนกับไม้ซีงงัดไม้สูงไม้จิ้มควันเน่ยงัดงัดไม้สูงไม่ใช่ไม้ซีกมันไม่มีแรงฮนะไม่มีแรงแต่อย่างงัดว่าปัญหาบางอย่างมันน่าจะแก้กันได้ลดนะฮะลดปัญหาลงไปได้แต่ทํำยังไงเราจะมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมปัญหาเรื่องโรคเอสมันก็มีคนมาปรึกษานะฮะมีคนมาปรึกษาแต่เราก็เอะทํำยังไงอะ่ะ ทำยังไงเราจะติดต่ตตตตอเขาได้ยังไงเพราวกนั้นมันก็สายตาแกไม่บอดแต่ใจแกบอดอ่ะแกไม่ยอมฟังเลยไอ้ทำเนี่ยแกเห็นไหมพวกโทสะเนี่ยจะไม่ยอมฟังพวกโมหะเนี่จะไม่ยอมจะไม่ยอมฟังฮะงงถ้าคนคนไหนที่เราโกรธเขาแล้วหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราโกรธเราไม่ยอมฟังเห็นไหมยอมฟังไม่ยอมรู้ไม่ยอมเกี่ยวข้องก็จบัะ นั้นจึงกลายเป็นอุปสรรคที่ซ้ําเติมซ้ําเติมคนนั้นให้มีความรุนแรงมากจิ่งขึ้นะคนที่เป็นมิตรสนมสนิทสนมก็แยกออกไปคนที่จะเข้ามาเป็นมิตรก็เข้าไม่ติดนะก็กลายเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งถูกโดดเดี่ยวเดียวดายตรงงาข้าคือเมตตาเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะฮะว่าใจที่เรามีเมตตาใจที่มีน้ําใจต่อคนทั้งหลายนะ่ เกิดมาในพภพชาติใดหน้าตาจะผ่องสวยแล้วมันสงบมันเย็นนะเย็นพวกนี้เป็นเป็นพลังเป็นพลังที่ที่เข้าใกล้แล้วก็สัมผัสได้นะอย่างที่ราคุณตอนนั้นก็เป็นเป็นราชกุมารที่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเข้าไปใกล้ก็บอกโอ้ร่มร่มเงาพระองค์เย็นดีจังพอเข้าใกล้พระพุทธเจ้ามันหายไปหมดเลยอะไรต่างๆมันเย็นดีจังนะพรองเย็นดีจัง เห็นไม่มสัมผัสเป็นธรรมรังสีที่มันแผ่ทาให้คนก็กลายนื้อสึกเย็นก็แสดงว่าเย็นมันอยู่ภายในเหมือน่อเราเข้าใกล้น้ําแข็งแล้วทาไมได้เย็นเพราะไอ้น้ำแข็งมันเย็นมันมีธาตุเย็นใจคนก็เหมือนกันถ้ามีเมตตาเป็นานะาธ า, นะ า, า, ธ า, ต, าตุเรียกว่าไม่อาโทสธาตุนะฮะอภยบาบาธาตุจริงเวลาเรียกเท่าเรียกว่าอภยบาบาธาตุคือธาตุของความไม่โกรธมันไม่อยู่ภายในใจมันเป็นธาตุเย็นอยู่โดยธรรมชาติเข้ามาแล้วก็แผ่รังสีออกไปคนก็สัมผัสได้ ก็ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นแต่เขาเย็นด้วยตัวเขาเองนะใครเข้าใกล้มาใกล้เขาก็เย็นของเขานะฮะคนเข้าใกล้จะได้รับประโยชน์จากความเย็นของเขานเพราะงั้นศาสนาจึงเน้นจึงเน้นเรื่องเมตตามากเพราะวันตกแต่งภพชาติในประณีดนั้นอย่างหนึ่งแน่นอนนะฮะทำให้เกิดมาในตระกูลที่ดีแล้วก็รูปร่างพิพันธ์นะหน้าตาดี แล้วก็มีคนเมตตาสงสารนะฮะเป็นเสน่ห์มาเมตตามาอนุยอมในปัจจุบันก็เป็นที่รักใคร่สนิทสนมของบุคคลนั่งหลายก็มีความเจริญก้าวหน้าไปได้ประการต่อไปนั้นคือสักดาตับหมายความมาไม่มีบารมีนะคนบางคนมันไม่มีบารมีคนบางคนพูดจาแล้วมีบารมีนะจะเป็นเด็กเป็นเล็กอะไรแต่ไรก็มีบารมีก็มีสักดาสู มีสักรดัสูงท่านท่านลองดูตัวอย่างง่ายๆเนี่ยสมเด็จพระเทพเน่ยท่านเป็นประธานบุรณะพระแก้วไอ้บวชพระแก้วนะเมื่อก่อนพระมหากษัตริย์นะเป็นพระธานสมัยก่อนพระมหากษัตริย์และตอนนั้นท่านเป็นเด็กอ่ะไปชนไม่เท่าไรอ่ะท่านทาได้อัศจรรย์มากเลยนี่คือบารมีบารมีที่มันมันมันสะสมไว้เป็นเป็นเป็นเป็นจิตตานุภาพเป็นอาุภาพคนเห็นเกิดความชื่นชมยินดีอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะมีสนับสนุน ฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยเนี่ยฟากเดียวเลยฉันด้วยฉันด้วยเนี่ยอันนี้คือคือคือคืออนุภาพของธรรมะไม่น่าเชื่อว่าคนวัยขนาด น, นี้มาทํางานตรงนี้ได้นะบทรพระแก้วมันจะเรื่องเล่นๆเน่ยนะะแล้วเรียอะไรนะเรียไรายชาวบ้านเท่านั้นลยเรไรแบบสาธุชนแล้วท่านทําได้ซึ่งซึ่งคนที่มีลักษณะอย่างนี้แม้แต่ว่าพระพระเราบางรูปท่ารเห็นมาอายุน้อยๆนะฮะบางองค์เนี่ยอายุน้อยๆมากเแต่ทําไมาก็ทําได้ เพราะว่ามีคนที่ทําบุญร่วมกับเขามานันแน่นอนนะฮะมีคนทําบุญร่วมเขามาเขาเรียกว่าฉันท่าคือความพอใจมีอยู่ภายในจิตถ้าคนนี้เอาด้วยฉันเอาด้วยคนนี้เอาด้วยฉันเอาด้วยเป็นคนที่มีศักดาโนภาพสูงนะแล้วก็เราลองสังเกตดูว่าว่าพระเนสูนพนระในส่วนที่จริงท่านเป็นเจ้านะฮะเป็นราชกรุมาน แล้วก็เป็นราชทายาดด้วยอย่างพระเจ้าตักสินนะเห็นไหมมีสักดามากเห็นสักดามากเป็นเป็นสามัญชนคนหนึ่งแล้วก็ดูแล้วไม่น่าไม่น่าจะทํางานได้นะพระชนขนาดนั้นอายุขนาดนั้นเนี่ยสถานการณ์วิกฤตอย่างนั้นมีความแตแกแยกขนาดนั้นแต่ว่ามีสักดาพูดอะไรคนเชื่อคนก็ยอมนะคนก็ยอมให้ท่านและสามารถทํางานได้ประสบความสาเร็จนี่ก็คือแนว พิพุทเจ้าทร ง, งแสดงว่ามาจากไม่ริษยาความดีงามของบุคคลอื่นนะหมายความมาพร้อมชื่นชมยินดีกับเขาเมื่อเราชื่นชมยินดีคนอื่นได้เขาก็ชื่นชมยินดีกับเราได้นะก็แน ก, ก็กิริยาปฏิกิริยาทำให้คนเหล่านี้เกิดมามีศักดา์สูงแต่ว่าอย่าลืมเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังว่าที่เขาทำทำทำงานประสกวารธรรมเวจได้เพราะเขาเคยมีคนทําบุญร่วมกันมากับเขา ที่ทรงแสดงอีกในยะหนึ่งยะหนึ่งว่าคนบางคนทําบุญโดยตัวเองไม่ชักชวนคนอื่นคนบางคนดีแต่ชักชวนผูคนอื่นตัวเองไม่ได้ทำํำนะคนอื่นนั้นชักชวนก็ไม่ชักชวนทําก็ไม่ทําอีกคนหนึ่งทั้งชักชวนทุกคนอื่นด้วยแล้วก็ทําด้วยตัวเองด้วยอันนี้คื อ, ค, อ, ค, อคือประเภทที่ดีหมายความว่า การที่เราชักชวนบุคคลอื่นแสดงว่าเรามีไมตรีต่อคนอื่นเห็นไหมะเรามีไมตรีต่อบุคคลอื่น e แล้วเราจะชื่นชมถ้าเขาได้ทําความดีก็แสดงเรามีมุติตาด้วยเรามีเมตตาด้วยหมายความไงเราไม่ริษ ย, ยาในความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอื่นและการเสียสละไปก็แสดงว่าเราเราไม่โลภในสิ่งที่ที่เราเสียสละไปด้วยก็หมายความก็ตั้งขจัดตัวเหตุปัญหาหมดทั้งสามตัว เอาวามาจัดความโลภขจัดความริษยาขาจัดความโกรธซึ่งเป็นปัญหาที่นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางเทวีทั้งก็จัดได้หมดก็กลายเป็นชันทะที่มีภายในใจคือความความรู้สึกร่วมกันคนอื่นพูดไม่เชื่อคนนี้พูดเชื่อคนอื่นชวนไม่ทําคนนี้ชวนทำในนี้ก็คือก็คือลักษณะอะไรก็ตามที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกดีด แล้มาเคยบอกพวกข้าราชการพวกนายอำเภอพวกผู้ว่าเนี่ยนะฮะบอกว่าคุณคุณอย่าลืมหลวงพ่อนะ่ยไปไหว้ฤาษีด้มั้งอย่าไปเหียหัวฤาษีต่างจังหวัดเนี่ยถ้าคุณต้องการพัฒนาเนี่ยคุณต้องหาพระให้ได้เพราะเราต้องการพัฒนาเราผ่านที่ดินชาวบ้านเราต้องการมาเนี่ยในเมืองพระตาเราผ่านที่ไทยเนี่ยดินชาวบ้านเนี่ยในเมืองไทยเนี่ย นอกจากในหลวงแล้วก็คือพราเนี่ยขอที่ดินจะบ้านได้โบจะขอตรงนี้นะโยมน่าจะตัดถนนตรงนี้เอาถ้าถ้าหลวงพ่อจะเอาผมก็ถวายนอกจากในหลวงแล้วก็คือพระเนี่ยขอที่ดินจะบ้านได้โบจะขอตรงนี้นะโยมน่าจะตัดถนนตรงนี้เอาถ้าถ้าหลวงพ่อจะเอาผมก็ถวายแต่ทีนี้บ้านเมืองนี่ไม่รู้จักใช้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะชาวบ้านก็รู้สึกศรัทธา จะทากับพระแล้วก็เขาก็รู้ว่าพระพระพระไม่เอาอะไรสามารถขอตัดถนนได้เป็นกิโลกิโลเฉยเฉยไม่จ่ายตั๋บาทนะสามารถทำได้นะแต่ว่าถ้าคนอื่นทำยากในสังคมทับผลประโยชน์ร่วมกันท่านแล้วก็ฐานหนึ่งก็คือการอบรมถือศรัทธามาตั้งแต่ต้นเป็นพื้นฐานในด้านจิตใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ใ ca ชพ่ชพูดเฉพาะเจ้าพาะเกิดมานะฮะอย่าอย่าคิดว่าเจพาะเกิดมาจริ ง, รงๆแล้วทั้งหมดมันเป็นลักษณะทิศสายมันสร้างไปลักษณะทิศสายเราเห็นว่าทําไมทําไมพระเทวทัตอยูมาจองล้างจองปราณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกทกทุกชาติในชาตดก5า0้อยหเรื่องเนี่ยมีเทวทัตเกิดมาเจอพระพุทธเจ้า58ครั้ง นะในห้าหสิชาติหนะ้าอยห้าสิบชาตินะเนี่ยเทวทัตเจอห้าสิบแดครั้งด้วยกันในห้าแปดครั้งพระพุทธเจ้าเป็นอะไรพระแ ก, ก่กริษยาอยู่นั่นแหละทําไมฤตสยามันสร้างเป็นนิสัยสันดานมาตั้งแต่นูน้นตั้งแต่บรมเวลาในพระเจ้าเล่าว่ามันมันเกิดเป็นพ่อค้าพ่อค้าลูกปัดด้วยกันเกิดภบชาติหนึ่งเป็นพ่อค้าลูกปัดด้วยกันในเสริวาชาดกพระโพธิสัตว์ไป ซื้อถาดทองคําได้แล้วก็ทําให้นายเนี้ยโกรธนายนี้แกไปลักไก่เ้านะฮะบอกโอ้ยถาดนี้ไม่มีราคาอะไรคือต้องการจะเอาเฉยๆต้องการจะไม่จ่ายต้องการแลกตะปุกลูกบัติ จ, จ้าพวกนะฮะแต่พอค้าคนหนึ่งบอกโอ้ยายมันแลกไม่ได้อนี่มันถาดทองคําของผมไม่มีอะไรมาแลกกับยายได้ไม่มีสินค้าอะไรมาแลกถาดนี้มันแพงเกินไปยายนี้ก็ชื่นชมในความซื่อสตริตแกบอกก็เอาพ่อจะให้อะไรก็ให้มา ยายให้ในฐานะดีหลานซื่อสัตว์แกก็ให้หมดนะขอค่าเดินทางกลับในเดียวให้หมดหรือสินค้าทั้งกองเกลียนให้หมดเลยเอาถาดกลับดังนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะนีต่าง ก, กันเดียแล้วก็สร้างพบชาติเปลี่ยนพบชาติมาถึงยุคปัจจุบันในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าแผ่ภัศ า, าลเลยกรุณาแผ่ไัศาลมีความเรียบร้อยธรรมะสมบูรณ์พระเทวทัตเล่นไปถึงอนันตเดชกรรม เนไหมฮะสร้างภบชาติคู่กันมาเรื่อยเลยนะฮะแข่งกันมาเรื่อยมาถึงมันสุดๆด้วยการดังสองฝ่ายพระเทวทัศตสะสมจิตสนานรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มความรุนแรงไปเรื่อยเพราะงั้นส่วนหนึ่งก็คือจิตสนานที่สะสมไว้ในเด็กส่วนหนึ่งก็คือสะสมอยู่ในปัจจุบันมันก็สร้างความรุนแรงคล้ายๆกับคล้ายๆความรู้ก็ได้ความดีก็ได้ความชั่วก็ได้ที่มันสะสมอยู่ส่วนหนึ่งภายในจิตมีความโน้มเอียงมีความพอใจชอบใจที่จะประพฤติจะกระทําเช่นนั้น แล้วก็ในปัจจุบันเองก็ไปรับเชื้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมันก็เหมือนกับภูมิรันทานโรคเหมือนอะไรต่อะไรนะฮะมันก็แนวเดียวกันทั้งหมดนี่คือสิ่งที่อยู่ภายในใจของคนเพรา ะ, ะนนคนประเภทนี้บางคนเนี่ยมันมีสง่าราศีเพราะอะไรมันมากไปได้วยริษยามากไปด้วยความแข่งดีมากไปได้วยริษยามากไปได้วยไไโทสะบางคนน่าสนิทสนมหน้าคุ้นเคยหน้าเคารพนับถือมีสง่าราศี ก็เพราะอะไรเพราะว่ามีเมตตาไม่ริษยาปุ่งนี้เพลินนะฮะให้ให้เราสังเกตว่าเมตตาก็ดีมุทิตานะเมตตากับมุทิตาในในปรมมหานทั้งสี่เป็นการชื่นชมในเมื่อคนอื่นมีความเจริญก้าวหน้านะซึ่งซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยตามปกติคนเรามีการบันตนาประวันตนา การที่คนอื่นได้เนี่ยถ้าคนใจไม่ดีพอเนี่ยอยากได้เองมันจะออกมาในริษยามากกว่าแต่ว่าการทําใจได้เช่นนี้ก็ทําให้จิตใจเขาผ่องใสหน้าตาเขาผ่องใสจิตใจเขาก็สบายประเด็นสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่านางกินานางพระนางมาริกาเทวีนะฮะพอท่านรับแล้วที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยที่ว่าเนี่ยว่าจุดต่างๆ่างของท่านเนี่ยมันเกิดขึ้นมาขัดแย้งกันเองนะขัดแยง้งเองในตัวหนึ่งรูปร่างหน้าตาไม่ดี นะแสดงให้เห็นถึงโทษของความโกรธเดิมที่ฐานะเจ้กุลไม่ดีนะฮะฐานะเจ้ากุลมีตงุงตรงนี้ตรงนี้นท่านท่านจะเห็นถึงกระบวนการของกรรมกระบวนการของกรรมว่ากรรมหนึ่งเนี่ยกรรมชนกกรรมนําให้เกิดเป็นที่ด่าของคนข้าวสวนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันกรรมที่ดีคือมีน้ําใจช่วยเหลือพระเจ้าประเสในกุศล อ, อย่างหนึ่งแล้วก็มีเกาเรียกว่าอุปถาภิยอุปคาตกรรม หมความกรรมที่เป็นกุศลเข้ามาตัดสถานะของลูกสาวช่างช่างสวนให้ผลเองเลยให้ผลเสเองก็กลายเป็นพระเมเสีของพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเหสีของพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าผลก็คือความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่ อ, ผอแผ่ช่วยเหลือคนอื่นมาในชาติบังก่อน ผิวพรรณหน้าตาผิวพรรณท่านดีนะฮะอันนี้คือลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยของท่านเป็นบุญในอดีตแล้วก็ท่านเป็นปัจจุบันท่านก็เป็นท่านอย่างเง้ยพร้อมชื่นชมยินดีความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทั้งหลายคนนี้เป็นคนดีควรสนับสนุนและก็สนับสนุนของท่านแต่ไม่ใช่สนับสนุนหมดเลือกสนับสนุนคนที่เหมาะควรแก่การสนับสนุนก็เจริญก้าวหน้าถ้าไม่ได้เจริญก้าวหน้าแต่แสดงว่าถ้าเราดิษยาเราทําไม่ได้ การที่ท่านทำได้แสดงว่าท่านพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนหมายความไงหมายความท่านไม่โกรธเสร็จนะฮะหมายความท่านไม่โกรธคือท่านเม่ตายคนนี้แล้วท่านก็เสียสละเพื่อคนนี้เพราะท่านชื่นชมในชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของคนดีทั้งหลายต้องลงว่าธรรมะมันมีครบหมดเลยสองสามข้อความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีความเจ้หนีก็ดีเนี่ยมันก็บรรเทาลงไปจากใจของท่าน เพราะนั้นท่านจึงเป็นเรียกว่าเป็นราชินีขวัญใจของคนในแคว้นโกศลนะฮะพระเจ้าปเสนโกศลที่วงศ์คตไปก่อนไม่ใช่ที่วงศ์คตที่หลังยมโคตรทีหลังพระนางมาณิกาที่วงศ์คตไปมีแต่คนร้องไห้เสียวติเสียใจที่สําคัญอย่างยิ่งพิสูจน์น้ำใจของท่านคือท่านสามารถถวายอัฐิสิทธาธิวาแล้วได้เป็นการร่วมมือของประชาชนมาอาสาไม่งั้นทำไม่ได้ นี้ก็เป็นการแสดงถึงบุญบุญญาโนภาพที่นําไปสู่การเกิดนําไปสู่วิถีชีวิตของคนนะแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนก็ตามกระแสของบาปของบุญนะที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทาเอาไว้สมภพ น, นี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเป็นเทน่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญก ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาชนทั้งหลายโดยโทรกันทุกท่านทูน